บัดนีจ้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นธรรมะที่เราเรียกว่าสวากาตะธรรมหรือธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วและเป็นสันเลกตะธรรมคือธรรมะเครื่องขัดเกลาบาป การเกลาอ ก, กุศลออกไปจากใจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นนิยานิเก่ธรรมคือจะนำสัตว์ออกจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์ตลอดถึงสังสารวัฏในที่สุดผลจากธรรมปฏิบัติจึงออกมาในรูปของสันติคือความสงบและเป็นความสงบที่เกิดขึ้นทางกายทางวิชาและทาง จ, จิตใจ จุดเน้นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความสงบทางใจเพราะถ้าหากว่าเกิด ค, ความสงบทางใจได้อาการที่แสดงออกทางกายทางวิจา ก, ก็สงบตามไปด้วยเนื่องจากอาการทางกายทางวิจาเป็นผลสะท้อนมาจากใจเป็นประการสําคัญเพรา ะ, ะ น, นปริยายของธรรมะทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้โดยนิยาตาต่างๆนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ในชั้นเรื่องการศึกษาจาเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในแง่มุมต่างๆเพื่อจะทำรงรักษาไว้ประการหนึ่งเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติประการหนึ่งเพื่อจะถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจประการหนึ่งแต่เมื่อกล่าวถึงส่วนทางภาคปฏิบัติแล้วประเด็นสำคัญอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เป็นกุศลและธรรม ไ้ตั้งตน้นขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองและในที่สุดกุศลธรรมในลักษณะต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นติดตาปมม่าในขณะเดียวกันเนื่องจากธรรมะเป็นเครื่องขัดกลาวกิเลสดังกล่าวกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านั้นก็จะมีการสงบระงับงจนถึงดับไปในที่สุดตามกาลังความสามารถแห่งธรรมะที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นในขณะนั้น อย่างในระในยะแห่งพระพุทธภาสิตบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงถึงหลักการประพุทธปฏิบัติโดยเน้นไปที่การใช้สติสัมปชัญญะและลึกรู้ทันอารมณ์ที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆเนื่องจากโลกเราเป็นโลกของสัมผัสดังกล่าวในชีวิตตลอดทั้งวันเรยกว่าตลอดทั้งชีวิตของบุคคลนั้น จะต้องมีการสัมผัสกับอารมณ์อยู่เสมอไปไม่อย่างใรก็อย่างหนึ่งอย่างน้อยในแต่ละครั้งนั้นเราจะประสบสัมผัสอารมณ์ไม่น้อยกว่าสองประการจะในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นกายก็สัมผัสกับพื้นที่เย็นร้อนอ่อนแข็งตามสมควรแก่เรานั่งถ้าเราลืมตาดูตาเราก็เห็นรูปแต่ถ้าเรายังไม่หลับหูเราก็จะยินเสียง จะมีกลิ่นอะไรอยู่ก็อาจจะได้กลิ่นในขณะนั้นๆเป็นต้ น, ตนซึ่งจะเห็นได้ว่าเราเลี่ยงจากสัมผัสเหล่านี้ไม่ได้เลยแม้ในขณะเดียวประเด็นสําคัญของสัมผัสเหล่านั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวสัมผัสเองแต่อยู่ที่ใจของบุคคลซึ่งมีความรู้เท่าทันต่อสัมผัสเหล่านั้นหรือว่าไม่มีความรู้เท่าทันเป็นประการสาคัญอย่างที่ทรงแสดงไว้โดยในย่าทหนึ่ง ว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีท้ำเป็นที่อยู่อาศัยนี้ได้ผู้นั้นจะพ้นจะบวชแขวันเป็นการทรงแสดงเห็นว่าลักษณะของจิตนั้นธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นคือเที่ยวไปได้ในที่ไกลกๆสามารถเดียวนึกได้โดยไม่มีขีดขั้นจำกัดระยะเวลาสถานที่ที่จิตจะเดี๋ยวนึกไป ในการไปของจิตนั้นก็ไปเพียงดวงเดียวแม้บุคคลจะนึกในจุดใดจุดหนึ่งเป็นพันพันคนก็ตามแต่ก็ไม่ได้กินเนื้อที่ในสิ่งที่เรานึกถึงทุกคนก็สามารถที่จะนึกถึงในจุดเดียวกันนั้นได้แต่ว่าตัวจิตเองไม่มีสริระคือไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาที่จะพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ตเป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้ด้วยจิตของตนเองเรียกว่าเป็นการของจิตรู้จิตก็มีลักษณะมีอารมณ์ในขณะนั้นๆเป็นอย่างไราการที่ทรงสอนไว้โดยนิยาต่างๆจะถามว่จิตนั้นอยู่ในที่ไหนก็ทรงแสดงว่าอยู่ในถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตเพราะาเมื่อจิตอยู่ในร่างกาย มีหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสดังกล่าวในบวงมานั้นในที่นี้ได้ทรงเน้นเอาที่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนตอนแข็งตลอดทั้งเป็นอารมณ์ที่บุคคลเก็บไว้ภายในใจแล้วก็นํามาเดี๋ยวนึกนํามาตึกนึกเนื่องจากเราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่ทุกขณะดังกล่าว ประเด็นสำคัญอยู่ที่ทําอย่างไรจึงสามารถระวังจิตได้ไม่ได้ไประวังตัวอารมณ์เพราะอารมณ์อย่างไงเราก็ต้องได้เห็นแม้เรานั่งธรรมดาธรรมดาก็เจอกับอารมณ์ดังกล่าแต่นักประการสําคัญท้าก็สอนทรงสอนให้ระวังจิตเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์มีสติสัมปชัญญะลึกรู้ตัวอารมณ์เหล่านั้นาอารมณ์เหล่านั้นเป็นอะไร มีคุณมีโทษอย่างไรแล้วทําใจของตนให้ได้รับประโยชน์จากอารมณ์เหล่านั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสัญลัโดยโดยประเภทของอารมณ์แล้วเราจะเห็นว่าตัวอารมณ์เองเขาก็เป็นกลางๆแต่ว่าการที่จะมีอิทธิพลเหนือใจคนสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรือให้ความสุขความทุกข์แก่บุคคล น, นั้นที่จริงก็อยู่ที่จิตซึ่งกําหนดอารมณ์ ที่ไปเกี่ยวข้องผูกพันในแต่ละขณะ้า่าจิตกําหนดอารมณ์ด้วยความเฉยๆเวทนาที่เกิดในขณะนั้นก็กลายเป็นอุกขมสุขเวทนาคือไม่แสดงความสุขความทุกข์ออกมายอย่างชัดเจนอารมณ์เหล่านี้บุคคลก็เกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตประจาวันมีเรื่องเป็นนั้นมากที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสแต่เราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจหรือไม่ไมรักไม่ชังอะไร เวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็กลายเป็นกลางๆแต่เวทนาที่เป็นกลางๆมักจะไม่กระแทกกระทันใจจนถึงกระดิ้นรนข่อยค ว, ว้าแสวงหาหรือปฏิเสธตามลักษณะของอารมณ์ตนั้นเพราะจุดเด่นที่ส่งเน้นจริงๆจึ ง, จงให้มองไปที่อารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดความยินดีความยินได้ทอนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความยินดีเช่นเกิดความรัก มันจะกระจายตัวเองออกไปโดยดํำดับมีการควยคว้าปรารถนาร่ำไปศาสใดที่ยังรู้สึกรักใคร่พอใจในอารมณ์หลดนั้นผลสำนวนรวจบลิตที่สงใช้สงใช้ก็มาหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหมายความว่าระวังใจอย่าให้เกิดความกำหนัดในอารมณ์หลดนั้นมากเกินไป ถ้าหากว่าเกิดความกหนัดขึ้นก็มีสติสมัญญาระลึกรู้แล้วก็พิจารณาตัวอารมณ์เรานี่ยถึงกรนี้ในการปฏิบัติจึงมีอยู่หลายระดับระดับแรกเป็นการระลึกรู้วินิจฉัยอารมณ์นั้นๆตามสภาพที่เขาเป็นจริงแล้วก็ดูจิตของตอนว่ามีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในอารมณ์เรานัน ถ้าเกิดมีความรักใคร่มีความพอใจก็ต้องดูขอบข่ายของอารมณ์เ่านั้นว่าเมื่อตอนเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะสร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นก็พยายามบันเทาความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งข้อนี้เพืสังเกตว่าการปฏิบัติระดับที่เรียกว่าเป็นมโนสุจริตนั้น ไม่ได้หมายถึงการไม่รับรู้อารมณ์เพียงแต่ว่ามีสติสัมปชัญญละลึกรู้ทันอารมณ์ล่านั้นถ้าระมัดระวังใจของตนเองเอาไว้ในกรณีที่เกิดความชอบจะ เ, เกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจความยินดีช่วงของมโนสุจริตก็เริ่มต้นที่การระวังจิตเอาไว้ย้าให้เกิดความอยากได้ในของ ของบุคคลอื่นสมมติว่าเกิดความไข่ความปรารถนาความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ศึกษาเพียงแต่วิธีที่จะได้สิ่งเดียวนั้นมาครอบครองโดยตนเองไม่ต้องทำผิดกฎหมายและไม่ผิดสินธรรมนั่นคือความคิดในระดับที่เรียกว่าเป็นมโนสุจริตกายสุจริตใจสุจริตในกรณีที่ เป็นอารมณ์อันกอ่อให้เกิดความชั่งซึ่งก็คงจะกระทบกระทั่งใจของบุคคลเป็นปกติธรรมดาแต่ก็ต้องสอนให้ระวังจิตระดับที่ไม่พยาบาทอาฆาตเพราะโดยพร้นที่จริงอารมณ์ที่เราเหนียวนึกและเก็บมาเป็นอาฆาตพยาบาทนั้นเป็นอารมณ์ในอนดีตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วที่จริงเรื่องเหล่านั้นก็ได้ดับไปแล้ว แต่ใจไม่ยอมสะละละวางได้เก็บกดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ภายในใจนำมาเดี๋ยวนึกนามาสึกนึกด้วยความอาคาิพยาบาทเป็นการจุดไฟขึ้นเผาใจตัวเองก่อให้เกิดความเร้าร้อนด้วยตัวเองจะนิสงอุปมากิเลสประเภทโลภะเอาไว้ว่าจะมีลักษณะเหมือนกันเป็นนี่เป็นสินบุคคลอื่นซึ่งจะต้องชดใช้กันอยู่รงไปตราบใดที่ยังเป็นนี้ก็อยู่ ความสงบภายในใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องระลึกถึงนี่ถึงศิ่นแต่กิเลสประเภทโทสะหรือประเภทพยาบาทนั้นจะมีลักษณะมันโรคภยัยไข้เจ็บที่เกิดเสียดแทงใจหรือเสียดแทงกายทุกเบทนาที่ประสบจากการที่รู้ถูกโรคภยัยไข้เจ็บเสียดแทงนั้นเป็นเรื่องที่เรารับด้วยตัวของเราเอง แม้จะมีแพทย์มีพยาบาลมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงห้องร้องมาอยู่เป็นนันมากก็ตามแต่บาคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปั่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกัเราได้แน่นอนโดยภาพรวมแล้วคนเหล่านั้นอาจจะร้องไห้เสียใจแสดงความมิตกกังวลในอาการเจ็บป่วยของเราจุกแต่ที่จริงเราป่วยเท่าไหร่เราเจ็บเท่าไหร่เราก็เจ็บเท่านั้นการที่คนเหล่านั้นไปยึดมั่นถือมั่นในลักษณะนั้นเป็นการเพิ่มความเจ็บป่วยขึ้นภายในตัวเขาเอง แล้วเขาก็สวยทุกเวทนาด้วยตัวเขาเองในขณะเดียวกันเขาก็แบ่งเปาให้แก่เราไปได้เพรา ะ, ะความความอาฆาตพยาบาทหรือความผูกโกรธก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะก็ทรงสอนในระดับที่เรียกว่าอย่าถึงกับอาฆาตพยาบาทอารมณ์บางอย่างนั้นมีลักษณะสิ่งต่างๆไม่ชัดเจน ไม่พอแก่การจะวินิจฉัยตัดสินว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกตลอดถึงควรหรือไม่ควรเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่อ ง, งนั้นเพราะความไม่ชัดเจนความไม่แจ่มแจ้งของอารมณ์ก็ทรงสอนให้ระวังกิจเอาไว้ว่ายังไงยังไงก็อย่าให้ออกจากธรามนองของธรรม อาจจะมีความหลงผิดเข้าใจผิดไปบ้างในบางจุดบางเรื่องแต่อย่าถึงก็ดึงตึงจิตออกไปนอกครองแห่งกุศลธรรมคืออยู่ในกรอบของกุศลธรรมอยู่แต่การระมัดระวังใจในระดับนี้เพิ่งสังเกตว่าความสั้นายไปของใจก็คงมีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายต้องการจะให้เกิดความสงบจริงๆก็คงจะเกิดได้ยาก เพียงแต่บรรเทาความเร่าร้อนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องที่สำรวมระวังใจในแต่ละขณะที่กระทบอารมณ์เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมโดยไม่ใส่ใจอารมณ์บางอารมณ์เชยบ้าง หมาความปิดกั้นกระแสของอารมณ์เหลอนนั้นด้วยการหลีกออกไปจากอารมณ์หลอนนั้นด้วยการไม่ใส่ใจซึ่งเราก็ทําได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือหลีกหนีจากสถานที่เหล่านั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สุดดมไม่ได้ลิ้มไม่ได้จับต้องจริงเ่านั้นแต่ในกรณีนี้เพื่นสังเกตว่าอาการของจิตซึ่งแล่นไปในที่ไกลเดียวไปดวงเดียว มีความดิ้นรนกัดแหวงห้ามยากรักษายากนั้นบางครั้งเขาก็ไปเหนียวนึกเอาไปสึกนึกเอาด้วยความเครือบแคลงสงสัยว่าใครทําอะไรอย่างไรเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นไปอย่างไรเป็นต้นจิตใจก็คงมไม่สงบอยู่นั่นเองเพราะลักษณะของวิจิกิจฉานั้นเป็นกิเลสประเภทโมฆะทําให้จิตใจแกว่งไปแกว่งมาไม่สามารถปักใจอะไรลงไปได้ แล้วถ้ า, าว่าขาจัดตรงนี้ไม่ได้ในสุดใจก็จะดิ้นเพื่อไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นอีกต่อห น, นึง่งการระวังจึงไม่ใช่ระวังทั้ง เ, เฉพาะช่วงที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาต่างประสาทสัมผัสแต่ต้องระวังใจอย่าให้สายไปไขวยคว้าปรารถนาที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านั้นอีกด้วยการระบัดระวังใจในลักษณะนี้ตัวสติเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จะ ต, ต้องระลึกรู้ทันอารมณ์ที่สัมผัสในแต่ละขณะไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องก็ต่างสติจะต้องระลึกรู้และปัญญาจะต้องมีการวินิจฉัยต่สินอารมณ์เหล่านั้นในตอนแรกก็คือถ้ามองเห็นว่าจะเป็นทางเกิดของกิเลสประเภทโลภะคือการไขว่คว้าปรารถนาเกิดโทสะความคิดในทางวัตุสรย เกิดโมหะความลุ่มหลงหรือเกิดความประมาทเผยเรื่มัวเมาก็ระวังจิตเอาไว้อย่าให้เป็นเช่นนั้นบางเรื่องที่ก็เกิดความมัวเมาเกิดความลุ่มหลงคือเกิดความไม่เข้าใจวิธีที่จะแก้ไขก็คือรีบหาความเข้าใจเสียหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องทิ้งไว้ก่อน ไม่ไปเก็บความเครือแปรงสงสัยเหล่านั้นเอาไว้ให้เป็นตะคอนใจกลายเป็นการสะสมอารมณ์ที่มีปัญหาเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองถึงภายในใจว่าอย่าไปเหนียวนึกในอารมณ์ในลักษณะเดียวกันเพราะใจนั้นอาจจะเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ได้นะก็ได้ปัจจุบันก็ได้ประการต่อไปเป็นการสารวมในระวังที่ สร้างภูมิต้านทานขึ้นภายในใจของตนโดยไม่ให้จิตใจนั้นอ่อนไหวไปกับอารมณ์อารมณ์ก็คงเป็นอารมณ์อาจจะได้กระทันใจในลักษณะยัวยุยั่วยให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดขืงตามลักษณะของอารมณ์ดอกนั้นใจอาจจะสายไปกำหนัดและสายไปขัดขืง แต่ว่าธรรมะคือขันติอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ต่อนั้นเอาไว้ไม่ให้กำลังของอารมณ์มีแรงมากกว่าธรรมะคือขันติขันติกลายเป็นพลังที่จะขจัดความรู้สึกเหล่านั้นหรือว่าลบควารมรุนแรงของอารมณ์ต่อนั้นเอาไว้ขันติจึงกลายเป็นตะบะที่เคลือบแผดเผา แต่ว่าการที่ธรรมะคือคันติจะเกิดพุ่มเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจได้แข็งแรงนั้นจะต้องมีการฝึกปรือเรื่องคันติไปเรื่อยๆโดยมีความคุ้นเคยมีความเคยชินกับเรื่องอารมณ์เหล่า น, นั้นซึ่งหมายความมาโดนแรงกระแทกกระ ท, า, ะทานบ่อยๆแต่ว่ามีความเข้มแข็งอยู่ภายในใจแล้วก็ต้งนทานอารมณ์เหล่า น, นั้นเอาไว้ได้เรื่อยๆ ลักษณะเหล่านี้คล้ายๆกับเราปรับตัวให้คุ้นเคยกับอากาศหนาวร้อนเป็นต้นที่เราเกี่ยวข้องในขณะนั้ น, น, นเราจะเห็นได้ว่าคนเมืองหนาวมีความคุ้นเคยกับความหนาวก็จะทนอากาศหนาวได้ดีกว่าคนเมืองร้อนในขณะที่คนเมืองร้อนก็คุ้นเคยกับอากาศร้อนจะทนความร้อนได้ดีกว่าคนที่อยู่ในเมืองหนาว แต่ทั้งสองท่านนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นมีการสะสมภูมิต้านทานโรคเหล่านี้เอาไว้ภายในใจเขาภูมิท้านทานร้อนหนาวเอาไว้ภายในกายของเขาจนกลายเป็นความคุ้นเคยความชาญฉินตร่มเหล่านั้นจนกลายเป็นไม่อ่อนไปแตใ่ในขณะที่ใช้คตินั้นพึงสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจะต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นหลัก ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้คันติไปโดยไม่รู้ว่าใช้ไปเพื่ออะไรหรือใช้ไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรคันตินั้นใช้ไปในกรณีของสี่อารมณ์อย่างที่เคยพบกันอยู่เสมอว่าเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับความวิปริตตามธรรมชาติซึ่งเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เราอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นก็จาเป็นจะต้องใช้ความมดกลั้นความอดทนเนอา ลักษณะความเสียดแทงทางกายและทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจการงานแต่หุดเน้นในที่นี้มองไปที่อารมณ์ซึ่งเสียดแทงใจโดยเฉพาะอารมณ์ใหญ่ก็คือก่อให้เกิดความรักความจังหรือยินดียินรัยแต่ที่ทรงใช้อยู่สองคู่ท่านนี้ออารมณ์ยินดียินรัยที่ในสำนวนทางมหาสติปัฏฐานาสูตรทรงใช้กับว่าอภิชาและโทกมนันนั้น อภิชาก็คือยินดีโทมนัสก็คือยินได้ฝุดเป็นทายใจก็คือรักชังปัญญาจะต้องเกิดขึ้นวินิจัยอารมณ์เสียก่อนประกวรจะอดกลั้นต่ออารมณ์หล่อนนั้นหรือไม่อดกลั้นต่ออารมณ์หล่อนนั้นบางครัง้งบางคราวนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตัวเองให้เสมรุร่วมไป จะในการณีการปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นมีพระสงค์คุยกันส่งเสียงดังอึกทึกครุกโครมผิดลักษณะของสมณะผิดลักษณะของนักบวชพระเจ้าจะรวดเร็วมากจะรับสั่งสอบถามแล้วจะเรียกมาให้การอบรมตักเตือนตำหนิยอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดความสำนึกความหลับจำนี่จะเห็นว่าเป็นเรื่องภารกิจ ไม่ใช่มัวอดกลั้นอดทนปล่อยท่านทํากันไปอย่างนั้นแต่เป็นงานที่จะต้องประพฤติปฏิบัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ดีการอดทนจึงต้องมีปัญญาเข้ากํากับมีการสอดส่องสิ่งที่อดทนหรือไม่อดทนว่าถ้าอดทนแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์ก่ออดทนถ้าทนแล้วจะเกิดโทษอะไรต่างๆอีกเป็นอันมากก็ไม่ควรอดทนเอาไว้ แต่ไม่ได้หมายความมาลุกอำนาจแกอารมณ์เพียงแต่ใช้สติสัมปชัญญะแทนขันติในขณะนั้นๆั้นที่แจงอธิบายเหตุผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือตัวของสตินั่นเองที่เรียกว่าสติสงวนคือสำรวมระวังด้วยสติเป็นการาระลึกรู้แล้วก็ตัดอารมณ์ไปในขณะนั้น ทำนองสติเป็นนายประตูซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการปฏิบัติอยู่หลายระดับด้วยกันในระดับที่เป็นสมถกรรมฐานสติธรรมหน้าที่เมื่อนายประตูคือมีดูว่าใครเข้าใครออกออกแล้วไปไหนหรือเข้าแล้วไปไหนไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าที่ของนายประตูแนวสํารวมในเราว่า โดยวิธีนี้ก็คือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์่าใดอย่างหนึ่งเป็นการเจริญนาปาณสติก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นการดึงจิตที่เที่ยวไปในที่ใครเที่ยวไปดุงเดียวมีความดินดนน้นรนกดแก้ห้ามยากรักษายากนั่นเองให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าออกที่หายใจอยู่ในขณะนั้นๆ ส่วนจะใชวิธีใดเป็นเรื่องที่ให้เหมาะควรแก่พื้นฐานจริตอัธยาศัยของบุคคลด่านั้นเพราะที่จริงแล้วท่านก็จาแนกแสดงไว้หลายวิธีด้วยกันประเด็นสำคัญก็คือจิตให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งไม่วิ่งไปรับอารมณ์เราอื่นการปฏิบัติในลักษณะนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าความรู้สึกยินดียินร้ายก็ไม่เกิดขึ้น จะกลายเป็นความวางเฉยในอารมณ์เราอื่นเพราะเราไม่ได้รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเนื่องจากการจะรู้อารมณ์และการจะวินิจฉัยอารมณ์นั้นเราจะต้องมีการสนใจใส่ใจในอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ในขณะนั้นใจมันก็ใส่ใจอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานการจะออกไปรับไปใส่ใจในอารมณ์อื่นถ้าหากว่าจิตเราสงอบอยู่มันก็ไปไม่ได้ เมื่อไปไม่ได้ตัวอารมณ์ที่กาหนดระลึกที่มีลักษณะเป็นกรรมฐานนั้นอย่างที่เคยให้ข้อสังเกตว่าจะเป็นกุศลกับเป็นกลางกลางเมื่อเป็นกุศลใจก็ผูกขึ้นมีปีติมีปราโมทย์ในกุศลธรรมเช่นไปภาวนาวาพุตโธตัวพุทโธนั้นเป็นกุศลธรรมการภาวนาก็เป็นกุศลธรรมสติระลึกรู้ก็เป็นกุศลธรรม ถ้าใจยังอยู่ที่บทภาวนาพุโทโธใจก็ไม่แล่นออกไปรับจังวินความสงบก็อยู่ที่บทพุโทโธเหล่านั้นในขณะนั้นความกำหนัดความขัดเคืองถึงแม้จะมีอยู่ภายในใจลึกๆแต่ก็จะไม่มีอิทธิพลเหนือใจของบคุคคลเพราะใจไปสงบอยู่กับบทพุโทโธหรือว่าใจเกิดไปอยู่ที่ลมหายใจเข่าออก ที่กระทบในขณะหายใจเข้าแล ะ, ะหายใจออกตัวลมหายใจเข้าออกนั้นไเป็นอัปยาคตะธรรมคือเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ได้ขอให้เกิดความยินดียินร้ายอะไรแต่ว่าขอให้เกิดความส ง, งบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเหลนั้นจิตก็ไม่วิ่งไปรับอารมณ์คือจิตจะไม่ดิ้นรนจะไม่กดแหวง จะไม่ตกไปในอารมณ์ที่น่าไข้หน้าปราถนาหน้าพอใจเพราะมาอยู่ที่ลมหายใจเขา้าออกในขณะนั้นความรู้สึกรักชัางต่างๆที่จะมาจากข้างนอกก็ดีหรือจะเนียวนึกออกมาจากข้างในก็ดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใจยังอยู่กับลมหายใจเขา้าออกพรานการปฏิบัติในแนวนี้ผู้สังเกตว่าพิธีปฏิบัติจะทรงใช้สั้น ไม่วิจิตพิสดารแต่ว่าผลจากการประพฤติปฏิบัตินั่นเองจะทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่เป็นบาปเป็นกุศลทำให้จิตใจอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจบ่วงมานที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็คงสัมผัสกับอารมณ์ดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นกายก็ถูกต้องที่เรานั่ง หรือว่ากระทบกับอากาศเย็นร้อนไปต้นแต่เนื่องจากประสาทส่วนอื่นแม้จะมีเสียงผ่านมาแม้จะมีรูปเข้ามากระทบแต่พอดีตอนนั้นเราก็หลับตาเพราะงนั้นปัญหาใหญ่ไปจึงอยู่ที่หูก็อยู่ที่ใจก็อยู่ที่กายกายก็มีความเคยชินกับสัมผัส เสียงที่ผ่านมาทางหูเนื่องจากใจไปอยู่ที่อารมณ์ระลึกที่กําหนดระลึกในขณะนั้นๆใจก็ไม่ออกมาใส่ใจมาสนใจในเสียงที่สัมผัสเสียงเหล่านั้นก็ตกไปจากใจที่เราเรียกว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงแม้บางครั้งอาจจะมีกลิ่นอะไรเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าใจเราไปเกาะไว้ที่ลมหายใจเข้าออกไอกลิ่นมันก็สักแต่ว่ากลิ่น เพะะิ่ลักษณะศักด์แต่ว่านั้นพึงสังเกตว่าส่วนหนึ่งนั้นปัญญาทาหน้าที่แต่ส่วนหนึ่งก็คือสติทาหน้าที่ทำจิตได้สงบอยู่ในอารมณ์รรบใดเราหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นกุศลกับกลางๆไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ศักด์แต่ว่าไปโดยอัตโนมัติ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีติทธลเหนือใจไม่สามารถจะปรุงใจเราให้แปรผันไปตามลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆอีกวิธีหนึ่งนั้นอาศัยการรู้เท่าทันที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเป็นอาการของปัญญาโดยเฉพาะอันที่จริงถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วอารมณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ เพราะใจของท่านมีปัญญาเปี่ยมล้นที่จะวินิจฉัยตัดสินอารมณ์จนเราจะเห็นว่าพระยะบุคคลบางท่านสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยการดูรูปที่สวยๆด้วยการฟังเสียงที่ไพเราะถึงหลาคนที่จะทาได้แต่ว่าท่านที่มีญาณปัญญาระดับนี้ท่านทาได้ เราดานสามารถจะมองถึงสิ่งเหล่านั้นในลักษณะแยกย่อยออกไปจนเข้าใจสภาวะ ท, ที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้การสารวมระวังโดยในยะนี้จึงเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่สามารถกระทำได้ในโอกาสทั่วไปแต่ครั้งที่อาจที่บุคคลทำได้เป็นการสะสมความสงบสะสมความรู้สะสมเหตุผลขึ้นภายในใจ ลักษณะของบารมีธรรมเป็นภูนภูมิรักษาใจคุ้มครองใจให้มีความรวดเร็วในการใช้สติสัมปจญะและความเพียรพยายามที่จะป้องกันอกุศลการละอกุศลการเพิ่มภูนกุศลและการรักษากุศลเอาไว้เมื่อทำอย่างต่อเนื่องความสุขความสงบอันเป็นผลของธรรมะก็จะเกิดขึ้น ไปนในใจของบุคคลเหล่านั้นตามสุขขงควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้ไปขอให้ตั้งใจตรงความสงบสุขต่อไป